กครับขอขอบคุณครับสําหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยนะก็คงจะต้องจําไว้แม่นๆเลยนะว่าชีวิตเราเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่นะครับคือทําการวิจัยอุปาทานคันห้าเอาตัวเนี่ยสองคำสามคำเนี่ยเอาไปเอาไปหาความรู้ว่ามันวิจัยยังไงแล้วก็อุปาทานคันห้ามันมีอะไรบ้างเอาเนี่ยเนี่ยอเาเริ่มจากตรงนี้เนี่ยท่านจะไปได้ท่านจะเข้าใจผู้ศาสนาได้เลยนะครับ หมายถึงจริญในระหว่างการเจริญกรรมฐานนั่นเองทีนี้เราก็ย้อนมาว่าเมื่อชีวิตเหล่านี้เนี่ยนะที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าคือขันห้าหรือก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมาเข้าในเรื่องไอ้ที่ว่าไอ้สุญญาตาของเราต่อไปอีกนี่จะเป็นยังไงที่ว่าในวิธีการเจริญทั้งหมดเนี่ยพระองค์เจริญหรือพระองค์แนะนาสาวก อย่างที่ท่านท่านนไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่ะที่ชื่อว่าโลกว่างโลกว่างเนี่ยนะด้วยเหตุเท่าไหรหนอพระองค์จึงตรัสว่าโลกว่างเนี่ยนะอันนี้ในในสุ ญ, ญาตาสูตรนะดูได้หรือว่าในเอกสารที่แจกไปก็ในหน้า3า9นะมีนะเปิดดูนะหน้า3า9ที่จริงเล่มไม่ใหญ่ถึงขนาดหน้าขนาดนั้นออกไปถ่ายมาเป็นบางส่วนเห็นไหม ดูในหน้า319อพระองค์ตรัสตอบว่าอ น, อนุโละโลกว่างจากอัตตาเห็นะหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาหมายคำว่าอัตตก็ไม่มีสมมติว่าเช่นตานี่นะตาไม่มีอัตตาและก็ไม่ใช่บริขารของอัตตาว่าไเถอะไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุของอัตตาไม่ใช่เข้าของเครื่องใช้ของอัตตาเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าโลกว่าง อ น, อนุนอะไรเล่าที่ว่างจากอัตตาหรือว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอ น, อนุนจากขุแลว่างจากอัตตาหรือว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาตาของเรานี่นะเมื่อกี้นี่บอกว่าตานี้ถเาบอกว่าตาเป็ น, ปนกรร ม, มชื้อเกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานแสดงว่าคนที่ทํากรรมนั้นยังมีตัณหาและอวิชชาอยู่จึงมีกรรมแต่ถ้าขาดอาหารซะตานี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตาก็เกิดจากปัจจัย ถามว่าในตานี่มีใครอยู่ในนั้นไหมตานี่เป็นใครไหมไม่ใช่ว่าโหยมฟังไม่ดีเออตาก็เป็นพ่อบ้านของยายเงยแย่เลยนะนะคนละเรื่องกันนะคนละในกัน อ, อตาที่กระเพียบกระเพียบอยู่นี่แหละนะตาเนี่ยไม่ใช่ใครอยู่ในนั้นเลยนะนะไม่เชื่อไปดูขอหนังสือหมอไปดูเที่เขาผ่าตาดูดิหาใครเจอไหมในนั้นอะ่ะไม่เจอเห็นไนะถ้าอธิบายแบบทางโลกก็ต้องให้หมออธิบายแต่ว่ามันก็มีพวก น้ำตาอยู่ในนั้นด้วยนะสัมภาระจากสุนะตานี้เท่ากับเท่ากับมะนาวถึงไหมถ้าลูกมะนาวไหมถ้าผ่าสสัมภาระจากสุมาเลยนะทั้งลูกเนะี่ยถึงเท่ามะนาวไหมคุณหมอถึงไหมสองจุดห้าเซนติเมตรโอ้ก็เกือบเท่ามะนาวกันนะนั่นนะแต่ถ้าโผล่ออกมาเนี่ยนะคงคงต้งวิ่งเลยนะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นในนั้นอะ่ะไม่มีใครเลยนะแล้ว ไม่ใช่บริขารของอัตตาอันใดอันหนึ่งตานี่นะไม่ได้มีเจ้าของเป็นพิเศษเลยนะเพราะฉะนั้นตานี่จึงว่างจากอัตตาในตัวตาก่อนแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแต่ตานี่มีจริงนะเป็นทุกขศักิจะถามหมอพินันงาบ่อยๆเจอเลยถอนฟันแล้วมีใครอยู่ในนั้นบ้างโอ้โหออกมาร้องใหญ่เลยนะวิ่งออกมาจากฟันใหญ่เลยมีแต่ตัวแมงมั้งนะมี เพราะฉะนั้นรูปก็ว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยนะในสีทั้งหมดเลยนะเราพาเข้าไปในสีคําว่าสีเนี่ยนะสีในกายของเราเนี่ยสีคือผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยี่อในกระดูกเนี่ยพาหาไปในสีเถอะว่ามีอัตตาอยู่ในนั้นไหมไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ว่างจากอัตตาและก็ไม่ใช่บริขารของอัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่เนื่องด้วยอัตตาแต่สีเหล่านั้นนั้นก็เกิดจาก ปัจจัยนะเกิดจากปัจจัยคือมหาภูตรูปเกิดจากปัจจัยคือกามจิตอุตุและอาหารเป็นไปตาว่างจากอัตรารูปว่างจากอัตราตากับสีทําให้เกิดจากขูวิญญาณขึ้นนะเขาบอกว่าเพิ่งเห็นอันนะีสมมติว่าเราตบมือเสียงจะดังเลยเพิ่งเห็นตาเนี่ยนะเหมือนกับมือซ้ายเพิ่งเห็นรูปหรือสีเนี่ยเหมือนมือขวามากระทบกันแล้วเกิดเสียงดังขึ้นอ่ะ จิตเห็นเหมือนกับเสียงอันนั้นแหละเพราะฉะนั้นจิตมันไม่ได้เกิดอยู่ตลอดใครเกิดมีจิตเห็นเกิดรออยู่ในนั้นบ้างไม่มีเพราะฉะนั้นจิตเห็นเมื่อตามองเห็นปั๊บจิตเห็นจึงจะเกิดการรับรู้เพราะจิตมันแปลว่ารับรู้อ่ะรับรู้สภาพรับรู้เนี่ยเกิดมาเพราะได้ปัจจัยพร้อมตากับสีจิตเห็นจึงเกิดเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัย ตาในทลักษณะเป็นวัตถุให้เกิดสีในฐานะเป็นอารามณะแสงสว่างเท่ากับเป็นประตูให้กรรมในอดีตให้ผลจิตเห็นก็เกิดในจิตอันนั้นที่เกิดขึ้นอ่ะมีใครอยู่ในนั้นไหมเหมือนกับเสียงที่ตอบมือมีใครอยู่ในตัวเสียงนั้นนั้นไหมเพราะฉะนั้นในจิตเห็นไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยสอย่างประชุมการคือตากับสีจากครูวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าสัมผัสเรียกว่าผัสสะในผัสสะนั้นอ่ะมีใครผัสสะไหม อา้าวตาก็ไม่ใช่ใครสีก็ไม่ใช่ใครจิตเห็นก็ไม่ใช่ใครแล้วใครจะมากระทบละ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาตาสีจากขูวิญญาณเกิดขึ้นเรียกว่าผัสสะผัสสะกับท่าสีที่ดีเป็นสุขเวทนาท่าสีที่ไม่ดีเป็นทุกขเวทนาท่าสีธรรมดาธรรมดาเป็นอุเบกขาเวทนาในส่วนนั้นทีนี้เวทนาเนี่ยนะคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับผกระทบอะ ในเวทนาเนี่ยมีใครอยู่ในนั้นไหมมีใครไปรู้สึกไหมก่อนหน้านี้เวทนาอันนี้ไม่เกิดแต่มาได้ปัจจัยแล้วเวทนาอันนี้จึงเกิดขึ้นพอหมดปัจจัยเวทนาอันนี้ก็หมดมันในนั้นอะ่ะไม่มีใครอยู่ในเวทนาไม่เวทนาไม่อยู่ในใครเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ว่างจากอัตตาและว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอันนั่นนี่เฉพาะทวารตานะเท่ากับกล่าวขันห้าในทางตาเรียบร้อยแล้ว ตากับสีเป็นรูปประคันว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจิตเห็นเป็นวิญญาณขันว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาภาษะเป็นสังขารขันว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเวทนาที่เกิดขึ้นรู้สึกเป็นเวทนาขันเวทนาขันอันนั้นก็ว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฟังดูแค่นี้ก็ดูว่าเราเข้าใจความเป็นอนัตตานะครับ แต่ก็ไม่เพียงพอใช่ไหมครับรู้แค่เนี้รู้แค่นี้ก็ไม่พอที่จะสลัดออกเราไม่ได้ไปเจริญเนี่ยนะคือรู้อันนี้จริงแต่เอาไปเจริญพอกพูนไหมล่ะยังไม่เคยยังไม่เคยคือปัญหาสําคัญเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ปัญหาว่าไม่พอกพูนคือส่วนทุกข์สัตว์มันมีอยู่เท่านี้แหละเพราะนั้นอริยสัตว์ไม่ได้มีสัจจะเดียวสัจจะไม่ได้มีสัจจะเดียวเพราะนั้น ในส่วนของตาสีจกักขูวิญญาณภาษาเวทนาอันนี้เป็นทุกขสัตว์ทุกขสัตว์เราทําปริญญาแล้วใช่ไหมทีนี้สมุทัยสัตว์ความยินดีในสิ่งเหล่านี้อันนี้เขาเรียกว่าทุกสมุทัยสัตว์ทีนี้ในส่วนมัคสัตว์ที่เจริญเพื่อรอบรู้สิ่งเหล่านี้มัคสัตว์อ น, นั้นต้องเจริญความรู้ในการใคร้ครวนอันนี้ต้องเจริญขึ้นการเรียกว่าเจริญความรู้อันนี้ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นได้นั่นแหละแล้วก็เจริญไปอย่างนี้เนี่ยนะเช้าสายบ่ายเย็นะค่า แปลว่าเจริญสติเวีนรอบก็อบอกไม่มีเวลาไหนที่ไม่ได้ไข้ควรเรื่องราวเหล่านี้เลยก็เข้าใจจำแจ้งว่าทําไมถึงไม่บรรลุทั้ทีนะฟังดูแล้วมันไม่แค่นี้มันมีไม้จิ้มฟันนะ่ะจะไปเจาะอะไรนะบครันะใช้เข็มเจาะบาดาลใช้เข็มเจาะบาดาลมีเท่านี้ยเจาะไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อรอบรู้ในส่วนเหล่านี้ดีแล้วนะ ถ้าหากว่าตามสูตรอื่นๆเนี่ยนะไอ้ความร่วอนี้เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมบอกว่าใช่เจริญสัมมาทิฏฐิอันนี้อะเจริญนะเจริญเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญสัมมาสังกัปปะอันนี้เนี่ยตรึกอันนี้ให้มากๆเรียกว่าเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะ น้อมไปเพื่อการสละสเจริญสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเนี่ยนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละก็อีกนิดหนึ่งครับพอมาถึงอาเรียมักมีองแปดนี่นะครับพอเรามาวิจัยในเรื่องตานี่แล้วเนี่ยนะเราเห็นความเป็นไม่มีไม่มีมมตัวตนไม่มีตนอยู่ในไม่มีอัตายอยู่ในตาเจนพายไม่มี อัตตาในเสียงไอ้ในสีไม่มีอัตตาในในในจากคู่ภาษาคะเจนทานไม่มีอัตตาในจากคูวิญญาณไม่มีอัตาอตาในจากคู่สัมผัสววไม่มีอัตตาในจากคูสัมผัสสชาเวทนาเจนทานไม่มีไม่มีหมดเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีหมดอย่างนี้เนี่ยก็ถทากับว่าเทากับว่าเราปฏิบัติ ต, ตามอาริยมรมีองค์แปดถูกไหมครับเกินะ อันนี้เนี่ยยังถามว่ายังไม่เชื่อว่าปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์8อย่างบริบูรณ์ถามว่าทำไมเพราะสัมมาทิฏฐิอันนี้เพิ่งรู้รู้สัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความรู้อันนี้ยังไม่ได้รับการเจริญเลยเห็นไมก็หมายความว่าต้องไปเจริญความรู้อันนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าสมมุติว่าเจริญมากมากนี่นะครับเขาจะเข้ายังไงกับอริยมรตมีองค์แปดับท่านน้องอธิบายแต่ละแต่ละองค์ครับคกิดในขณะที่ไอความรู้อันนี้เกิดขึ้นใช่ไหม ความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอันนี้เข้าไปพิจารณาตาสีจักขูวิญญาณภาษาเวทานาเนี่ยเนีย่ยว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตานี้ถ้าพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้คือขันห้านะทั้งหมดในการเห็นเนี่่เรียกว่าขันห้าขันอันนี้ทั้งที่เป็นภายในก็ว่างแบบนี้นะที่เป็นภายนอกก็ว่างแบบนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกก็ว่างแบบนี้นี่แหละ ก็เข้าไปใคร่ครวนทั้งที่เป็นอดีตก็ว่างแบบนี้ที่จะเป็นไปในอนาคตก็ว่างแบบนี้นี่แหละทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งหยาบทั้งละเอียดเนี่ยนะทั้งเลวและประณีตก็ว่างในลักษณะเดียวกันทั้งภายในทั้งภายนอกอันนี้ทวานตาหยาบละเอียดหยาบละเอียดเลวประนีกใกล้ไกลเนี่ยนะเข้าวิจัยไปละเอียดที่สุดแม้ที่สุดแม้แต่ตาพรหมจากขู่ภาษาธา ข, ของพรหมที่ละเอียดที่สุดนะก็ว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา ม แ, แม้แต่ตาเลนหรือแม้กระทั่งตาของสัตว์ในอบายเพราะฉะนั้นจะต้องไข้ครควนทั้งหมดที่ทยาบตั้งแต่สัตว์นรกไปจนถึงพรหมโลกละเอียดเนี่ยนะที่สุดคือพรหมโลกแล้วภายในคือในตัวแล้วภายนอกตัวนะต้องเข้าไปใคร่ครวนหมดอนนี้ทวานตาทวานหูทวานจมกูกทวานลิ้นทวานกายและทวานใจจะต้องให้ชํานาญในลักษณะเดียวกันการตึกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นองค์ใดครับ ถ้าไอความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิกนตรึกเนี่ยนะไอมือการเข้าไปใคร้ครวนลักษณะนี้เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นวิตตกอันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นเมื่อคนเนี่ยนะมีความรู้ความเข้าใจแบบนี้ตรึกแบบนี้มากๆกก็จะพูดในสิ่งเหล่านี้บ่อยอันนั้นเป็นสัมมาวาจาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการยืนเดินนั่งนอนก็เป็นไปตาม คำพูดเหล่านี้เนี่ยตามแนวความคิดตามแนวความเห็นอันนี้อันนั้นเป็นสัมมาตามันตะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาชีพอะไรที่มันจะสอดคล้องกับการไข้ครัควอันนี้อันนั้นเป็นสัมม า, าชีวะเช่นบิณฑบาตเลยครับเช่นบิณฑบาตเลี้ยงชีพเป็นวัดเป็นต้นนะนะครับเพียรนะครับอทีนี้ในระหว่างเจริญเนี่ยนะบางทีอักุศลมันแทรกในระหว่างที่ไข้ครคววอักุศลมันแทรกเพียรกําจัดอักุศลที่มันเจือปนเข้ามาแล้วก็เพียรรักษากุศลอันนี้ให้ต่อนเนื่องกันไป ทำด้วยความไม่ประมาทเป็นสัมมาเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาอวัยามะเนี่ยหมายคำว่าเพียงกําจัดอกุศลออกไปเพียงรักษาอันนั้นเอาไว้ทำด้วยความไม่ประมาทอันนั้นเป็นสัมมาสติสติมีความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นสติไม่ประมาทในการเจริญกุศลเหล่านี้รอบรู้ว่าเราเข้าใจเพียงพอไหมตรึกพอไหม การใช้วาจาเป็นต้นถูกต้องตามหลักไหมเพียรพยายามอย่างถูกต้องไหมขัดกับคาสอนในส่วนใดๆบ้างอันนั้นเป็นกิจของสัมมาสติถามว่าทำได้ความสงบไหมอันนั้นเป็นสัมมาส ม, มาธินี่นะเพราะฉะนั้นก็จักเจริญอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นอุปนิสัยซึ่งกันและกันเนี่นะเมื่อเป็นอุปนิสัยซึ่งกันและกันจนกว่าที่จะโพธิปัขยธรรมจะประชุมกันขึ้น ศรัทธาต้องพอดีนะที่จริงถามว่าศรัทธานี่มีในองค์มรรคมีไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั่นเท่ากับประกาศสัพทินซสัมมาวายมะประกาศวิริยินทรี์สัมมาสติเป็นสตินรีสัมมาสมาธิเป็นสมาทินซีปัญญาเป็นปัญยินรีเนี่ยนะเมื่ออินทรีย์ประชุมกันเมื่อพระประชุมกันโพ่อชงประชุมกันองค์มรรคประชุมกัน ถ้าเจริญกุศลธรรมเหล่านี้จนบริบูรณ์ก็จักแทงตลอดอริยสัจโดยขณะจิตเดียวสลัดตาออกไปได้เลยก็สลัดเนี่ยนะมันก็จะรอบรู้ยกตัวอย่างถ้ารอบรู้ในในจักขู่ก็จะรอบรู้ว่าจากักขูจักขู่สมุทยัยจักขู่นิโรธจักขู่นิโรธคามินีปฏิปทารูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะก็จะรอบรู้ในส่วนเหล่านั้นทั้งหมด ท่านถ้าจบแล้วก็จะต้องรอบรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของจักคูอะไรเป็นความดับของจักคูอะไรเป็นอัศทาของจักคูอะไรเป็นอาทีนวะของจักคูและนิสรณะของจักรสุเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาจะรอบรู้หมดอริยสาวกจะไม่หลงในสิ่งนี้เลยจะไม่มีโมหะในสิ่งนี้เลยเรื่องอื่นเขาไม่รู้จริง เช่นว่าน้ำมันเนี่ยมันแพงขึ้นไหมราคาเท่าไหรทําไมมันจึงแพงทําไมจึงลดเนี่ยนะอริยส า, าวกท่านไม่รู้หรอกท่านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยแต่ท่านไม่หลงในเรื่องตาสีจกักภูวิญญาณว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขสัจเนี่ยนะท่านไม่มีอวิชชาในสิ่งเหล่านี้เลย<ต>ในส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวถามว่าเมื่อปฏิบัติตามนี้จบแล้วจะได้ผลยังไงนะข้อความในเถระคาานะอธิมุตเทระคถากล่าวว่า รทรารวบนี้นะที่ปฏิบัติและเป็นท่ารหัสนี้ก็ได้บําเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนได้สั่งสมบุญไว้ในพบนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอัถทัตสีบังเกิดในตระกูลมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติรู้เดียงสาแล้วเมื่อภาษาสดา ป, ปริณิพานแล้วได้อุปถาภิกษุสงฆ์ยังมหาทานให้เป็นไปแล้วเห็นไนหะก็เหมือนกับพวกเรากําลังจเจริญกุศลกันตอนนี้มั้งเนาะ ด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพุทธุบาทการนี้คือในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะได้เกิดในท้องน้องสาวของพระสังกิจจะเทระได้มีชื่อว่าอธิมุตนั่นนะคือเป็นหลานของพระสังกิจจะเทระท่านเจริญวัยแล้วก็ได้บวชในสำนักของพระเทระผู้เป็นลุง น, นนะคือไปบวชในพระสังกิจจะนั่นแหละเป็นอุปชาให้ บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานทั้งๆ ท, ท, ที่ดำรงอยู่ในภูมิของสัมมาเนก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทีนี้พอท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ให้การเวลาล่วงเลยไปด้วยความสุขในสมาบัตินะด้วยการเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์มีความประสงค์จะอุปสมบทคืออายุได้20ปีแล้วนะคิดว่าจะบอกลามารดาานะบอกแม่ก่อนแล้วจะอุปสมบทละ จึงไปหามารดาในระหว่างทางได้พบโจรห้าร้อยคนผู้เที่ยวหาเนื้อเพื่อจะทําพลีกรรมแก่เทวดาหาเนื้อเพื่อบูชาเทวดาว่างกันฝ่ายพวกโจรได้จับตัวท่านด้วยหวังว่าจะทําให้เป็นพลีแก่เทวดาท่านอธิตย์มุต้ น, นแม้จะถูกพวกโจรจับก็ไม่กลัวไม่หวาดหวัน่นได้มีสีหน้าผ่องใส ย, ยืนอยู่หัวหน้าโจรเห็นดังนั้นก็เกิดอัศจรรย์จิตอย่างไม่เคยเป็นเห็นไนะ หมายก็ว่าจะถูกฆ่าแล้วก็นั่งยิ้มใช้เลยนะเพราะฉะนั้นหัวหน้าโจรก็เลยกล่าวว่าเมื่อก่อนเราได้ฆ่าสัตว์เหล่าใดเพื่อบูชายันหรือเพื่อจะปล้นทรัพย์เนี่ยนะเห็นใครว่าใครเห็นโจรโดยมากก็สะดุ้งกลัวตกใจกันหมดเหมือนกันสัตว์เหล่านั้นหมดอํานาจเกิดความกลัวต่างๆและพร่ำเพ้ออยู่นะนะในระหว่างที่ถูกจับเนี่ยบางคนเนี่ยกลัวตายตัวสั่นบนเพอ้อจิตก็สะดุ้งไปหมดอ่ะนะ บางคนก็บอกว่าโอ้ยขอไปเป็นทาสเถอะอย่าฆ่าเลยไปเป็นทาสก็ยังดีว่างั้นอย่าเพิ่งฆ่าเลยว่างั้นแต่ว่าความกลัวไม่ได้มีแก่ท่านเลยด้วยซ้ําเอพระเอสมมาเนรรูปนี้กลับไม่กลัวเลยเพิ่งอายุ20เองอะนะซ้ายังมีสีหน้าผ่องใส ย, ยิ่งนักเมื่อภัยใหญ่เห็นป่านี้ปรากฏแล้วเหตุไรท่านจึงไม่คร่ำครวญ จะถูกตัดคออยู่แล้วอ่ะทำไมไม่เสียใจเลยกลับยิ้มเขาบอกว่าพระเถระนั้นเกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าพวกโจรเหล่านี้จะฆ่าเราเราก็จะปรินิพานโดยหมดเชื่อในวันนี้แหละภาระคือทุกข์จะปราศจากไปพระหันทั้งหลายเนี่ยนะบอกว่ารอความตายเหมือนเรียกว่าลูกจ้างที่ทำงานเสร็จรอรับค่าจ้างเขาบอกั้นแต่ว่าให้ท่านฆ่าตัวตายท่านไม่ทานะ แต่ท่านก็อยู่ก็เพื่อสงเคราะห์โลกไปเพราะฉะนั้นเออดอีเหมือนกันเหมือนกับวันนี้เป็นวันรับค่าจ้างของเราเสร็จสักทีเพราะฉะนั้นท่านก็เลยปีติอย่างยิ่งในช่วงนั้น น, นะนะพระเถระเมื่อจะแสดงคำโดยมุ่งให้คำตอบแก่หัวหน้าโจรจึงกล่าวว่าดูก่อนนายโจรทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใยนาะยความห่วงใยเป็นชื่อของตันหาในชีวิต ไอ้ความทุกข์ทางใจเนี่ยนะมีสําหรับคนที่ห่วงใยในชีวิตเท่านั้นแหละคนที่ไม่ห่วงใยในชีวิตจะไม่มีความทุกข์ทางใจเลยถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาทําปริญญาอย่างที่ว่าจนจบแล้วอะความกลัวทั้งปวงเดี๋ยนะภัยทั้งหมดเนี่ยนะอันเราผู้สิ้นสังโยชนล่วงพน้งพนได้แล้วไม่มีภัยใดๆเลยไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องอะไรสักอย่างเนี่ยนะถูกฆ่าก็ฆ่าไป แต่ว่าไม่ได้สะดุ้งเลยเพราะเครื่องผูกเป็นเหตุให้สะดุ้งไม่มีแล้วเนี่ยนะตาของท่านก็ไม่ได้ถูกผูกไว้ถูกสังโยชตผูกไว้ด้วยสีหูของท่านก็ไม่ได้ถูกผูกไว้ด้วยเสียงจมูกก็ไม่ได้ถูกผูกไว้ด้วยกลิ่นลิ้นก็ไม่ได้ถูกผูกไว้ด้วยรสกายก็ไม่ได้ถูกผูกไว้ด้วยโพธพภะใจก็ไม่ได้ผูกถูกผูกไว้ด้วยธรรมรมเพราะท่านเพราะเพราะอะไรเพราะท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนกับท่อนไม้ใบหญ้าแล้ว นะท่านเห็นเหมือนกับเส้นฟางเส้นหนึ่งเท่านั้นเองมไม่ได้มีสาระอะไรเลยไม่มีสาระคืออะไรไม่มีความเที่ยงเป็นสาระไม่มีความสุขเป็นสาระไม่มีอัตตาเป็นสาระอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านไม่เด็กกลัวอะไรเลยหวังงั้นเมื่อตัณหาเครื่องนำไปสู่พบสิ้นแล้วความกลัวตายในปัจจุบันมิได้มีด้วยประการใดประการหนึ่งเลยดดดบุรุษไม่กลัวความหนัก เพราะวางภาระนั้นได้แล้วซึ่งอธิบายว่าเอ้เบนจะขันหรือขันห้าเนี่ยมันเป็นของหนักถ้าบุคคลที่บริหารขันห้าเป็นไปและลักษณะนี้ก็เป็นของหนักก็เป็นทุกข์เหมืนั้นเถอะผู้ที่บริารบริหารขันห้าทุกคนมันทุกทุกคนนั่นแหละใครบริหารขันห้าไม่ทุกไม่มีรอกเพราะว่าไอขันห้านี่มันเป็นภาระหนัก ดูนะ่ะเลี้ยงดูรูปประคันผิดเวทนาขันอย่างเงี้ยนะเลี้ยงดูสัญญาขันมากผิดสังขารขันเลี้ยงดูสังขารผิดวิญญาณเลี้ยงวิญญาณนะ่ะผิดรูปอีกล้เพราะฉะนั้นมันภาระจริงๆ่องงานไอขันห้าอันนี้